กดอยู่ก็ต้องรวมเข้ามาตั้งไว้ในจิตทางนั้นเป็นแต่เพียงว่าส่วนที่ตั้งจิตกำหนดทีแรกเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างแต่เมื่อ ได้เริ่มกำหนดจากภายในก็ตามจากภายนอกก็ตามก็ต้องให้มาตั้งอยู่ในจิตทั้งนั้นให้จิตกำหนดอยู่เป็นสมาธินิมิตขึ้นในจิตให้เป็นข้อเดียวตั้งขึ้นในจิต ดังนี้จึงได้พบจึงจะได้พบกับสุญญตาคือความว่างแต่ว่าในการปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติไปในบางคราวจิตก็ไม่ตั้ง แนบแน่นอยู่ในสมาธินิมิตที่กำหนดนั้นในบางคราวจิตก็ตัญก็เป็นธรรมดาจึงต้องไม่เว้นความเพียรไม่ละความเพียรไม่ทิ้งความต้องมีความเพียรปฏิบัติ ต่อไปทำความรู้ตัวทำสติให้มากขึ้นและคอยกําจัดความยินดีความยินร้ายที่มันเกิดขึ้นอันความยินร้ายนั้น คือยินไร้ในการปฏิบัติเพราะเหตุที่ทำจิตให้ตั้งเป็นสมาธิไม่ได้จิตไม่น้อมไปตั้งอยู่ในสมาธินิมิตรก็ต้องละความยินไร้นี้เสียกำหนดพิจารณาว่าเมื่อ ยังอ่อนเพียนอ่อนสติอ่อนสัมปชัญญะก็จะต้องเป็นเช่นนั้นจึงต้องทำความเพียนทำสติทำสัมปชัญญะสืบต่อไปบางทีก็ได้ความยินดีใน สมาธิเช่นเมื่อได้ผลของสมาธิเป็นปีติเป็นสุขก็มีความยินดีในผลของสมาธินั้นก็จะเป็นเหตุให้ติดอยู่ในปีติสุขของสมาธิดังนี้ก็ต้องละความยินดีนั้นเสียไม่พะวงอาลัยอยู่กับ ปีติสุขแต่ทําความเพียรทําสติทําสัมปชัญญะในการปฏิบัติสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปบางทีก็เป็นนิวรณ์ภายนอกโผล่เข้ามาแสกแซงเข้ามา ดึงจิตให้ยินดีให้ยินร้ายไปดังนี้ก็ต้องคอยละเสียเพราะฉะนั้นแม้ว่าในการปฏิบัติหลายครั้งหลายคราวจิตไม่น้อมไปไม่ตั้งอยู่ในสมาธินิมิต ก็ต้องไม่ละความเพียรดังกล่าวต้องทำความเพียรเรื่อยไปทำตติสัมปทันยะให้ยิ่งขึ้นคอยละความยินดีความยินร้ายอยู่เสมอทำใจให้เป็นอุเบกขาอันหมายความว่าวางเฉยจากความยินดีความยินร้าย เมื่อยินดีเย็นร้ายเกิดขึ้นก็วางเสียไม่รักษาเอาไว้และไม่วุ่นวายไปเพราะความยินดีความเฉยเสียได้วางเสียได้จากความยินดีความยินร้ายดังนี้คืออุเบกขา และเมื่อเป็นดังนี้แล้วจิตก็จะน้อมไปตั้งอยู่ในสมาธินิมิตได้จะได้สุญญตาคือความว่างที่เป็นภายในอันหมายความว่าจากอารมณ์ที่เป็นภายใน จะได้สุญญาตาในภายนอกอันหมายความว่าจากอารมณ์ที่เป็นภายนอกในเบื้องตน้นเห็นกระสินดังกล่าวนั้นจะได้สุญญาตาทั้งภายในทั้งภายนอกจะได้สุญญาตาที่ไม่วันไหว ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับดังนี้ก็เป็นอันว่าได้สร้างสุญญตาวิหารขึ้นในจิตใจสุญญตาวิหารในจิตใจนี่แหละคือวัดใจมีหารใจอันควบคู่กันไปกับ วัดกายวิหารกายวัดกายวิหารกายนั้นเป็นภายนอกดังวัดวาอารามทั้งหลายที่เข้าใจกันแต่ว่าวัดใจวิหารใจนี้วาสุญญาตาวิหารซึ่งเป็นภายในนี้เพระาะฉะนั้นพระบรมศ า, ศ, าศาสดาจึงได้ตรัสสอนต่อไป ให้ยืนให้เดินยืนนั่งนอนอยู่ด้วยสุญญตาวิหารนี้เดินนั่นก็เรียกว่าจงกรมจะเป็นจงกรมคือเดินโดยปกติก็ตาม จะจงกรมที่เป็นการปฏิบัติดังเรียกว่าเดินจงกรมก็าตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เองว่าให้ตั้งจิตกำหนดว่าเราจะจงกรมคือเดิน โดยที่ไม่ให้ความยินดีความยินไรบังเกิดขึ้นครอบงำจิตใจเราจะยืนโดยที่ไม่ให้ความยินดีความยินไรบังเกิดขึ้นครอบงำจิตใจเราจะนั่ง โดยที่มีให้ความยินดีความยินร้ายบังเกิดขึ้นครอบงำใจเราจะนอนโดยที่มีให้ความยินดีความยินร้ายบังเกิดขึ้นครอบงำใจเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าได้เดินอยู่ในสุญญ า, าวิหารได้ยืนได้นั่งได้นอน อยู่ในสุญญตาวิหารอันเป็นวิหารใจอันเป็นวัดใจอันนี้แหละเป็นเงื่อนสำคัญของภูปฏิบัติธรรมะซึ่งมักจะมีปัญหาถามกันอยู่เสมอๆว่าเดินจงกรมังให้ทำใจยังไงในที่นี้จึงนำเอาพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เอง ในพระสูตรนี้มาเล่าให้ฟังว่าท่านสอนไว้อย่างนี้ว่าให้ทำจิตใจอย่างนี้ในอิริยาบทเดินก็ตามยืนก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามโดยตั้งใจว่าเราจะไม่ให้ความยินดีความยินร้ายบังเกิดขึ้นครอบงำจิตใจซึ่งเป็นอันว่าได้เดินยืนนั่งนอนอยู่ในสุญญตาวิหาร ในวัดสุญญาตาในวีหารสุญญาตาซึ่งตั้งอยู่ในจิตใจเมื่อปฏิบัติดังนี้ก็เป็นอันว่าได้จงกรมคือเดินยืนนั่งนอนตามในพระพุทธเจา้าทรงสั่งสอนและแม้ว่าจะพูดก็ตามก็ให้ตั้งใจว่า จะเว้นจากวาจาที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลายดังเช่นที่เรียกว่าดิริชานักถาถ้อยคำที่เป็นดิจิชานคือที่ขัดขวางต่อรรมปฏิบัติเพื่อสุญญาตานังกล่าว เป็นถ้อยคำที่พูดจากันก่อให้เกิดกิเลสทั้งหลายกองราคะบางกองโทสะบ้างกองโมหะบางดังนี้เป็นวาจาที่คุณเว้นประวัติสอนถึงใจที่ไม่มีสุญตตาคือความว่างจากตามและกุศลละธรรมทั้งหลาย เมื่อใจเป็นอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้นจึงให้พูดแต่ถ้อยคาที่เรกวกะถาวัตถุคือถ้อยคาที่ควรพูดอันจะนำให้จิตใจได้สุญญาตาคือความว่างจากกิเลสทั้งหลายเน้นพูดจากกันารลรบธรรมะที่ทำให้ปรารถนาน้อยให้บังเกิดความสันโดดเป็นต้น ที่จะชักนําให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังนี้ก็ชื่อว่าได้พูดจาอยู่ในสุญญาตาวิหารเหมือนกันถ้าไปพูดที่เป็นติระฉานกฐาทั้งหลายก็เป็นอันว่าไปพูดกันนอกสุญญาตาวิหารนอกวัดสุญญาตาไม่ได้อยู่ในวัดสุญญาตา และแม้ว่าจะมีความตรึกนึกคิดในจิตใจก็ให้ตรวจตราพิจารณาระมัดระวังห้ามจิตใจนึกไปในทางที่เรียกว่ากามวิตกตรึกนึกคิดไปในกามพยาบาทวิตกตรึกนึกคิดไปในทางพยาบาทปองาย มีหิงสาวิตกตรึกนึกคิดไปในทางเบียดเบียนแต่ว่าสนับสนุนจิตใจให้คิดนึกไปในทางเนคคัมมะการออกจากเครื่องผูกพันทั้งหลายไม่ให้เข้ามารึงรัดผูกมัดจิตใจ อันเรียกว่าเนคัมมวิตตกให้ตรึกนึกคิดไปในทางไม่ชอบพยาบาทประกอบด้วยเมตตาตรึกนึกคิดไปในทางทไม่เบียดเบียนประกอบด้วยกรุณาเป็นต้นดังนี้ก็เป็น เนคำมวิตกอพพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกระวังจิตใจมิให้นึกคิดไปในทางอากุศลแลาวิตกที่เป็นกามมวิตกเป็นต้นแต่ให้ตรึกนึกคิดไปในทางที่เป็นกุศลอันเรียกว่ากุศลนวิตกมีเนคํำมวิตกเป็นต้นดังกล่าวนั้น เมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าเด็ดลึกนึกคิดอยู่ในวัดสุญญตาในวิหารสุญญตาเช่นเดียวกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้เคยตรวจพิจารณาจิตใจของตนอยู่เสมอว่ามีนิวรณข้อใดข้อหนึ่งอยู่หรือไม่ เมื่อมีอยู่ก็ให้รู้ว่ามีแลวก็ให้รู้ว่ายังละไม่ได้และเมื่อตรวจพิจารณาดูว่าไม่มีก็ให้รู้ว่าไม่มีตามความเป็นจริงถ้ายังมีอยู่ปล่อยให้นิวรณ์ครอบงำจิตใจอยู่แล้วก็เป็นอันว่าออกไปจากวัดสุญญตาออกไปจากวิหารสุญญตาเช่นเดียวกัน แต่ว่าเมื่อนิวร์สงบลงได้ก็เป็นอันวันได้เข้าวัดสุญญาตาเข้าวิหารสุญญาตาและได้ตรัสสั่งสอนไว้ให้ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นโดยที่กำหนดพิจรารณาขันธ์ห้าให้เห็นความเกิดความดับของขันธ์ห้าว่ารูปเป็นอย่างนี้ความดับ ความเกิดของรูปเป็นอย่างนี้ความดับของรูปเป็นอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับของสัญญาของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้เมื่อมาปฏิบัติพิจเจรณาให้เห็นความเกิดความดับของขันห้าอยู่ อัตสมิมานะคือความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นหรือว่าเป็นเราเป็นของเราก็ย่อมจะไม่บังเกิดขึ้นในขันทั้งห้าแต่ถ้าขาดญาที่มองเห็นเกิดดับในขันห้าก็ย่อมจะต้องมีอัตสมิมานะคือความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็น ยึดถือว่าเรามีเราเป็นยึดถือว่าตัวเราของเราอยู่ในขันธะและเมื่อเป็นดังนี้แม้ว่าจะได้สมาธิมาโดยลำดับสูงเท่าไรก็ตามเมื่อยังมีอัสมิมานะอยู่ก็เป็นอันว่ายังไม่เข้าถึงวัดสุญญาตาหรือวิหารสุญญาตาที่เป็นขั้น ละเอียดที่สุดหรือที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงยังเสื่อมได้ต่อเมื่อได้มหัดปฏิบัติให้ได้ปัญญามองเห็นเกิดดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณละคตสมิมาณะดังกล่าวได้ก็เป็นอันว่าได้พบวัดสุญญาตา วิหารสุญญาตาอันเป็นวัดที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สูงสุดในพุทธศาสนาฉะนั้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ลังที่แสดงเล่ามานี้จึงเป็นข้อทีภูปฏิบัติธรรมะ จะพึงทราบและพึงสนใจไฟแสวงหาวัดสุญญาตาหรือวิหารสุญญาตาในจิตใจให้พบแม้ว่าจะเป็นวัดสุญญาตาหรือวิหารสุญญาตาที่ยังเป็นชั้นนอกอยู่ก็ตามหากว่า ได้พบวัดสุญญตาวิหารสุญญตาเช่นนี้ในจิตใจของตนเองแล้วก็จะทำให้ได้พบกับความสุขดังที่ได้กล่าวมาแล้วอันเรียกว่าในขขมสุขปวิเวกสุขอุปัสสมาสุข สัมโพธิสุขวิมุติสุขตั้งแต่เบื้องต้นได้แต่หากว่ายังไม่ได้พบวิหารสุญญาตาหรือวัดสุญญาตาในจิตใจของตนเองบ้างแล้วแม้จะเข้ามาสู่วัดหรือวิหารที่เป็นของกายในภายนอก จะตั้งอยู่ในบ้านก็ตามตั้งอยู่ในป่าก็ตามที่ไหนก็ตามเป็นอันว่ายังไม่ได้พบกับวัดสุญญาตาวิหารสุญญตาอันเป็นพุทธศาสนาอย่างแท้จริงซึ่งเป็นที่สถิตของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงดังนั้นต้องปฏิบัติให้ได้พบวัดสุญญาตาวิหารสุญญาตา แม้จะเป็นชั้นนอกชั้นต่าก็ตามทีก็เป็นอนวัตได้เริ่มพบกับความสุขได้เริ่มพบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้เริ่มพบกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นสุญญตาวิหารหรือวัดสุญญตาวิหารสุญญต า, า น, น, นี้จึง็คันปฏิปทานก็อยู่ในวัดนี้ธรรมะอื่นๆเป็นต้นว่า สมปทานสอิทิบาทสี่อินทรีห้าพละห้าโพธชงเจ็ดมัดไมโองแปดอันเป็นโพธิยปัทิยธรรมทั้งสิ้นพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหมดก็อยู่ในวัดสุญญาตาวิหารสุญญาตานี้ทั้งหมดเข้าไปได้แล้วจะได้พบท่านทั้งนั้นต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไปบัดนี้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 เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั่นต้องอาศัยจิตที่บริสุทธิ์โดยมีศีลเป็นที่รองรับ หรือเป็นพื้นท่านจึงเปรียบศีลเหมือนอย่างแผ่นดินอันเป็นที่ดำรงอยู่ของสรรพสัตว์ในโลกและของสิ่งทั้งปวงศีลเป็นเหมือนแผ่นดิน ก็เพราะเป็นที่รองรับกุศนสธรรมทั้งหลายจะต้องมีศีลเป็นแผ่นดินที่รองรับอุศนธรรมทั้งหลายจึงจะตั้งขึ้นได้และก็ต้องมีสมาธิอันทรรมจิตให้บริสุทธ อากนิวรทั้งหลายเป็นบาทของปัญญาคือเป็นเท้าของปัญญาหากจะเปรียบเหมือนอย่างร่างกายสมาธิก็เป็นส่วนเท้า เป็นที่ตั้งของลำตัวและศีรษะฉะนั้นจึงต้องมีสมาธิเทา้าเป็นที่รองรับลำตัวคือสมาธิคือปัญญา ต้องมีสมาธิเป็นเท้าเป็นที่รองรับลําตัวคือปัญญาเพื่อวิมุติคือความหลุดพ้นอันเป็นเหมือนอย่างศิสะฉะนั่น ศีล ส, สมาธิปัญญาทั้งสามนี้กับทั้งวิมุตต์อันเป็นส่วนผลจึงต้องอาศัยกันเหมือนอย่างเป็นแผ่นดินเป็นเท้าเป็นลำตัวเป็นศีรษะ การปฏิบัติจึงต้องปฏิบัติให้มีศีลด้วยมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยประกอบกันไปและปัญญาในธรรมนั้นดังที่ได้กล่าวแล้วต้องอาศัยจิตที่บริสุทธิ์ คือจิตที่เป็นสมาธิที่บริสุทธิ์จากนิวรทั้งหลายจึงจะได้ปัญญาของเห็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงอันสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงนี้ ก็มีหลายชั้นที่เป็นความจริงทั่วๆไปก็เป็นชั้นสามัญขึ้นมาเป็นความจริงเกี่ยวแก่กรรมและผลของกรรม หรือเรียกเป็นคำสามัญว่าเกี่ยวแก่ บ, บาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ต่างๆก็เป็นสัจจะคือความจริงที่ละเอียดเขา้าสูงขึ้นเป็นความจริงที่เป็นอริยสัจจะ คือทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกขทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขก็เป็นความจริงที่ต้องใช้จิตอันเป็นสมาธิสงบสงัดจากตามและอกุศลละธรรมทั้งหลายเพ่งปินิดพิจารณา จึงจะมองเห็นได้ถนัดฉะนั้นการทำสมาธิเพื่อทำจิตให้บริสุทธิ์จากกามในอกุศลธรรมทั้งหลายจึงเป็นข้อที่ผู้ต้องการปัญญาในธรรมเพ่งปฏิบัติ และอันปฏิบัติธรรมทั้งหมดนี้ตั้งตน้นแต่ศีลขึ้นมาก็กล่าวได้ว่าต่างเป็นสุญญตาคือความว่างท้งนั้นศีลก็เป็นความว่าง จากภายเวนจากอากุศุลกรรมที่เป็นเครื่องก่อภายเวน